เป็นสาครที่ดำรงอยู่ลึกเป็นฝั่งมหาสาครนะคือโทสะก็หมายความบอกว่าโทสะไม่สามารถจะดำดิ่งเข้าถึงสภาพใจของบุคคลที่ถึงที่มีคันติได้เพราะสภาพของโทสะนี่เป็นสภาพที่มันเปล่าบางมันเบามากเจออะไรนิดหน่อยก็กระทบกระเที่ยงทนไม่ค่อยได้หรอกเจออารมณ์อะไรมากระแทกกระทานทางสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาประทบแล้วก็ทุกข้านออกไปก็นั้นเอง แต่สภาพใจที่มีขันตินั้นเป็นฝั่งก็เป็นมัคเป็นมหาสารที่อยู่ลึกอยู่ลึกมากเป็นบานประตูนะที่จะปิดนั้นขันติสังวรทั้งหลายจึงเป็นบานประตูแห่การปิดปิดอะไรปิดบานประตูทั้ง4บานที่จะไม่ให้เราลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นเปรตอสุรกายฉะนั้นขันติซึ่งเป็นตัวกูโลรศสีเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละ เป็นบันไดสู่เทวโลกและพรหมโลกถามบอกว่าเราจะอยู่สุกติพบได้ก็ขันตินี่แหละถ้าปล่อยให้โทสะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันย่ํายีกุศลศีลอย่าลืมนะตัวโทสะเนี่ยนะขอไปโทสะเนี่เป็นตัวย่ํายีกุศลศีลมันตัวตัดไปรากนะตัดรากกุศลศีลในขา่าวในชั้นของดีกาท่านจะบอกไว้เลยว่าทําไมกุศลศีลจึงไม่เจริญ กุศลศีลยังไม่เจริญต้นของศีลไม่เจริญงอกงามก็เพราะโทสะนี่แหละเป็นตัวตัดรากอยู่เรื่อยทําให้ศีล น, นั้นไม่สามารถเจริญงอกงามเป็นฐานรองรับคุณธรรมสูงสูงเป็นต้นได้จัดโลกทั้งหลายพากันละ ง, งมเพราะพิษไข้กันอยู่ก็เพราะไม่มีขันติสังวรนี่แหละละ ง, งมกันอยู่เป็นภูมิที่อยู่ของคุณธรรมทั้งพวงเป็นความบริสุทธิ์แห่งกายวาจาและใจอย่างสูงสุด ถ้าถามว่าเรารู้กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดที่เป็นชื่อของกุศลเนี่ยถ้าบอกว่าลักษณะของกุศลก็คือลักษณะที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีงามให้ผลเป็นความประเสริฐให้ผลเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดีอันนั้นมันลักษณะของกุศลกิจหรือการงานของกุศลมันต้องทําลายบาปได้ทําลายอากุศลได้ใช่ไหมทาลายบาปอากุศลธรรมมันลามกได้แต่ละขณะได้ในขณะที่กุศลแจิตเกิดขึ้น ผลปรากฏของกุศลก็คือกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดแต่ตัวขันติเนี่ยเป็นภูมิอะไรเป็นความบริสุทธิ์ชั้นสูงสุดของกายเป็นความบริสุทธิ์ของชั้นวาจาและชั้นจิตใจกายวาจาและจิตใจจะบริสุทธิ์สะอาดอย่างสูงสุดได้เพราะขันติฉะนั้นพระโพธิสัตว์ท่านจึงเตือนตอนเองและก็สอนให้เราท่านทั้งหลายเตือนตอนเองว่าท่านทั้งหลายจงเพิ่มภูมิขันติสัมปทานนะ ด้วยการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันเนี้ที่เดือดร้อนกันด้วยกายเดือดร้อนกันอยู่ใช่ไหมเดือดร้อนด้วยอะไรที่ท่านมาอำนาจยกเอาในมหาทุก ข, ข์ันทสูตรหรือจุฬทุกข์ขัขันทศูดเนี่ยสัตวนะ์ตทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนเดือดร้อนแข่งแย่งยิ่งวิ่งชิงกันหรือว่าศึกชิงกามกันทั้งหลายเราเนี้ยมาจากปัญหามาจากกามนั่นเอง มาจากกางนั่นเองเขาแย่งชิงกลามกันแย่งชิงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแย่งชิงวัตถุกลางด้วยอำนาจของกิเลสกลามทั้งหลายเขาต้องการจะขมกิเลสกลามเขาให้เต็มซึ่งมันไม่เต็มนื้สัตว์ทั้งหลายพากันเดือดร้อนกันอยู่เหล่านี้ถามบอกว่าเพราะอะไรที่เดือดร้อนกันด้วยการเกิดแก่เจ็บตายต้องมาโศกราไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจที่ต้องมานั่งน้ําตาไหลผิดหวังกันอยู่นี่ก็เพราะว่าไม่มีขันติสมบัติ เดือร <group> anyway no no no ้อนในโลกหน้าเพราะประกอบด้วยเหตุอันทําให้เดือดร้อนด้วยเหตุอันทําให้เดือดร้อนก็หมายความว่าไม่ไม่ในปัจจุบันในภพก็เดือดร้อนเพราะไม่มีคันติสมบัติไปในภพหน้าก็ไปเดือดร้อนเพราะไม่ได้สร้างเหตุถึงความสุขหรือไม่ได้สร้างเหตุถึงสุขติภพเขาไว้ก็ไปเดือดร้อนในภพหน้าดิฉะนั้นการไม่มีขันติสำประทานเนี่ยนะไม่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเก่าวคือคันติสังวรทั้งหลายอะไรนี่ระดับทั้งศีลเป็นต้นเหล่านี้เนี่ คันติเป็นองค์ธรรมของเขาได้แก่อะไรอาโทศาส์เห็นไหมอาโทศาส์ก็คือธรรมชาติที่ไม่โกรธไม่โกรธคืออะไรไม่โกรดนี่ทางานธรรมชาติที่ไม่ทุสร้ายในอารมณ์ใช่ไหมก็คือธรรมชาติที่เย็นธรรมชาติที่สงบถ้าเราดูว่าคนที่มีขันติเนี่ยดูผลปรากฏของเขาก็เหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญเย็นแบบนั้นพระจันทร์วันเพ็ญ ธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายต่ออารมณ์ปัญญาถ้าปัญญาก็แทงปัญญานี่แทงตลอดสภาวะลักษณะและสางมัญลักษณะแต่ถ้าอโทสะเป็นธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายต่ออารมณ์ก็หมายความว่าไม่ประทุษล้ายในอารมณ์ก็คือว่าสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบแล้วก็ไม่ใจไม่เดือดร้อน ปัญญาใช่ไหมอโมหอะอโมหะเจ้าบัต่างกันอโมหะเป็นธรรมชาติที่แทงตลอดสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะตรงนี้ก็คือดูว่าให้เพิ่มพูนคันติสมทาหากทุกขมีความเสียหายของบุคคลอื่นเป็นเหตุเกิดขึ้นอัตภาพอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกนั้นกรรมอันเป็นพืชของทุกนั้นอันเราแต่งขึ้นนั่นเองถ้าถามบอกว่าทําไมเราจึงได้รับความเดือดร้อน ทำไมเราต้องไล่รับความทุกข์กรรมในอดีตเป็นตัวแต่งขึ้นนะเป็นตัวแต่งขึ้นนะทําให้เราต้องมาเดือดร้อนกันทุกวันเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นกายกรรมบัจจีกรรมมโนกรรมในอดีตในสังสารวัตที่ดับไปแล้วนะเป็นตัวทําให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ทําไมเราจึงได้รับความเดือดร้อนในปัจจุบันเพราะไม่มีขันติในอดีตเนี่ยถ้าเราไม่มีขันติในปัจจุบันเราก็จะไปเดือดร้อนใน ในอนาคตในการต่อไปท่านใช้แค้นว่าในการสืบในการถัดไปเนี่ยเราก็จะไปเดือดร้อนอีกนะเราจะทํำยังไงตอนเนี้ยเราจะมีขันติวันนี้หรือจะมีวันขันติวันพรุ่งนี้ดีถ้ามีขันติเสวินาทีนี้เสดี๋ยวนี้เสียเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนนะวินาทีนี้และเดี๋ยวนี้เพราะการยอมรับได้ด้วยปัญญาใช่ไหมยอมรับได้อ๋อ อ๋อคือสภาพขององค์ธรรมมันเดียวกันแต่สภาพขันติกับสภาพของเมตตาถ้าเมตตานั้นท่านขับเน้นตัวมีสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์ท่านขับเน้นตัวนั้นและอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะทำถ้าจะทำให้เมตตาเกิดขึ้นมาเนี่ยผลปรากฏสังเกต ด, ดูที่ว่าสภาพของเมตตานั้นน่ยให้ฝึกมองจุดเด่นของคนให้ได้อย่าไปมองจุดด้อยเขาถ้าไปมองจุดด้อยแล้วโทสะมันจะเกิดง่าย ปึกมองจุดเด่นเขาอะทุกคนมีทั้งนั้นแหละจุดเด่นอยอนยธวรรนมีจุดเด่นไหมมีใช่ไหมมีแต่จุดด้อยมีไหมมีใช่ไหมถ้าลองมองจุดด้อยบ่อยๆนะเข้าในเะข้ากนะ็โกรธอ๋อสภาพขันตินี่จะกินความได้กว้างได้กว้างกวา่าเป็นเพราะเป็นภูมิของคุณธรรมทั้งหมดทีนี้ถ้าดูจางนี้ก็คือว่า กรรมอันเป็นเหตุนะถ้าถามบอกว่ากรรมอันเป็นพืชของทุกขอันเราแต่งขึ้นก็หมายความบว่าคนที่คนที่มีคนที่ไม่มีคันติในอดีตก็มาเดือดร้อนในปัจจุบนันคนไม่มีคันติในปัจจุบันเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็จะไปเดือดร้อนในอนาคตด้วยตรงนี้ก็คือมาพิจารณาอย่างนี้นั้นเป็นต้นเหตุแห่งความ เป็นหนี้ของทุกนั้นเมื่อไม่มีผู้ทำให้เสียหายถามว่าถามโยมเพลินเนาะถ้ามีไม่มีค น, คนมาชี้นิ้วใช้งานเราแล้วขันติสัมปทาของเราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเข้าใจไหม หลังจาก เ, เราเราวางจิตวางใจอะไรได้ดีมากขึ้นเนี่ยนะเจ้าค่ะกับมีความรู้สึกขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะท่านอาจารย์แต่มาขอบคุณทีหลัง<ะ> <c oughs> ใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังคิดอะไรไม่ทันนะคะเรารู้สึกเสียใจไปก่อนแล้วอะ <c oughs> ไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> แต่พอเราเราเริ่ ม, เ ร, มเริ่มมาลำเลิศถึงพระพุทธคุณอะไรจนกระทั่งเราจิตใจเราเข้าตั้งมั่นคงยิ่งขึ้นเนี่ยนะกับมีความรู้สึก ไปกราบขอพระคุณท่านพระราชและอรย์สีที่ส่งเราเข้าไปอยู่ระหว่างคนที่เจ้าโทสะทั้งสองคนแล้วเป็นคนที่ไม่อยู่กับใครไม่ได้มาให้เพลินมาอยู่เป็นฉนวนกันความร้อนให้เขาไม่ทะเลาะกันแล้วก็มาทะเลาะใส่กับเราหรือมาว่าเราอะไรอย่างนี้นะมีความรู้สึกกราบขอพระคุณท่านเจ้าคุณนะที่ว่าส่งเป็นบทเรียนให้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยผ่านผ่านความรู้สึกเมื่อคิดแบบนี้ได้ว่าเอามาคือเอามาถามกันนะ ไปก็ถามบอกเอ๊ะได้ข่าวยมไพรินมาเยอะที่นี่กลับไปแล้วก็ท่านบอกกลับไปแล้วชูการอ๋อกลับไปแล้วก็เนี่ยมีความรู้สึกว่าพอเราผ่านตรงนี้ได้มันมีความรู้สึกว่ามันมันมีอะไรอะไรที่เราจะมันหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะเดี๋ยวเกิดอัตราใหม่ขึ้นมาอีกแล้วออย่างงี้คือภาคภูมิใจที่เราสามารถอยู่กับคนที่เข้าปากลายแล้วก็ แล้วก็ค่อนข้างจะดูถูกขมเหงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับกับคนคนอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเรามันรู้สึกว่าเราได้คํานะขึ้นมาว่าเราจงชนะคนคนขี้ดโกรธด้วยความไม่โกรธเข้าอะไรย่างเงี้ยนะคะรับอาจารย์มันมันพอมันผ่านตรงนี้ได้แล้วเราก็ตั้งมั่นอีกอันนึงก็คือว่าเราจะไม่พูดอะไรกับใครตอนที่ว่าเรากําลังโกรธไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะใส่เบรกอะไรได้จะนิ่งเงียบแล้วรับฟังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพออารมณ์ดีซึ่งกันและกันเราก็จะเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ พูดจาแบบเอเพื่อเราต้องการให้งานเราสําเร็จอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหะมั น, ม น, นพอทำนี้ได้แล้วมันภูมิใจมากแลบมนะ่สันดึกระมานี่อัตราใหม่เลย ใ, ในในชั้นของคําสอนท่านจะบอกว่าหาผู้นี้ทําความเสียหายในปัจจุบั น, นเขาทําความเสียหายหเราในปัจจุบันนี้แหละเป็นอุปการะที่บุคคล น, นี้ได้กระทาแก่เรามาก่อนเขาได้ทําอุปการะให้กับเรา ผู้ทําให้เราเสียหายนั่นแหละเป็นผู้มีอุปการะเพราะเป็นเหตุให้เกิดคันติขันติบัติโมนะนั้นถ้าเราตั้งหลักไปก่อนเนี่ยมันจะชัดกว่าไปตั้งหลักทีหลังใช่ไหมเราต้องตั้งหลักไปก่อนตั้งหลักไปก่อนว่าเราไปหน้าที่ไหนเราอยู่หน้าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเจริญขันติถึงนี้ ตรงนี้ก็คือว่าสาวกของพระเจ้าเนี่ยให้สังเกตดูนะเวลาที่สาวิกาหรือว่าอุบาสกบาสิกาของพระบรมศาสด า, สดาเวลาจะไปอยู่หน้าที่ไหนไปอยู่กับใครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องไปลาพระบรมศารีดาเขาไปลาทําไมก็ไปรับโอวาทเมื่อไปรับโอวาทเบียเสร็จแล้วไปนั้นให้เอาพระเจ้าไปด้วยแล้วพระเจ้าจะได้คอยพร่ำสอนในขณะที่ไปเจอปัญหาอุปสรรคอันตรายหรือใช้ชีวิต ถ้าไปทิ้งพู้เจ้าเวลาไหนก็จะต้องนั่งร้องไห้ในเวลานั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะทั้งหญิงและชายทั้งหลายนะถ้าทิ้งผู้ได้เจ้าแล้วจะต้องนั่งร้องไห้แต่ถ้ามีผู้ได้เจ้าอยู่ด้วยพู้เจ้าจะคอยพร่ำสอนตลอดฉะนั้นคนดีจึงไม่ควรทิ้งผู้ได้เจ้าจึงไม่ควรละเว้นผู้ได้เจ้าพร้เจ้าก็จักไม่ละเว้นคนดีทั้งหลายดีไหมนี่คําว่า阿拉หังมีอยู่บทหนึ่งน ะ, ะพระบรมศ า, าสดาไม่ละเว้นคนดีคนดีก็ไม่ละเว้นพระศาสดาตอนนี้เราจะละเว้นพระศาสดาไหม ไม่ละแล้วนะต่อไปนั้นไม่ว่าจะไปทํากิจใดๆก็แล้วแต่ไาอยู่หนะ้าที่ไหนก็แล้วแต่คนที่ละเว้นพระาศาสดาแปลว่าละเว้นพระเจ้าประมาทแล้วแล้วพระเจ้าก็จะละเว้นท่านผู้นั้นด้วยฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าละเว้นพระาศาสดาและพระาศาสดาก็จะจะได้ไม่ละเว้นเอาวันนี้มีชั่วโมงไ ห, มไหนไหนมที่ละเว้นพราะเพราะระเจ้าก็ <c oughs> รเริ่มคิดแล้วใช่ไหม ก็เริ่มคิดแล้วต่อไปนะต่อไปไม่ใช่แค่วันแล้วใช่ไหมต่อไปมาคิดเป็นชั่วโมงแล้วต่อไปก็เริ่มเป็นสามสิบนาทีแล้วตอ่อที่ว่าดีเป็นไงตั้งแต่กลับมาทิ้งพระบรมศาสดาไปกี่วัน <c oughs> นี่ต้องตอบทิ้งไปกี่วันทิ้งไม่ทิ้งอย่าว่าแต่ยอมเลยพระทิ้งพระเจ้าพระยังต้องนั่งร้องไห้เลยใช่ไหมเพราะถ้าอยู่ห่างจากพรอบรมศาสด า, าแล้วลาบากและชีวิตนะ ก็ผิดหวังฉะนั้นต้องให้พระศาสดาต้องคอยคร่ำสอนตลอดผู้ที่ย่าสอนเราทุกเรื่องนะเอานี้นะการยืนการเห็นไหมการการการยืดคัดชั้นโตวาคัดฉามีติประชานาติในสติปัฏฐานพระเจ้าสอนนั่งเดินนะเห็นไหมเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่นิสินโนวานิสินโนสุะชานาตนิเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่ สยามโนวาสยาโนมีติประชาชนที่เมื่อนอนก็รู้ชัดบัดนี้เรานอนใช่ไหมแล้วก็เมื่อยืนเมื่อเดินเมื่อนั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดบัดนี้แปลว่าอะไรเนี่ยพระเจ้าสอนทุกเรื่องในการก้าวไปสอนไหมก้าวไปถอยกลับแหลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกเห็นไหมสอนหมดเลยในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการทรงการใช้ผ้าถือภาชนะ หรือการถ่ายอุจจารปัสสาวะในการเดินการยืนการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งมีมีเรื่องไหนบ้างที่ษาสดาไม่ทรงพร่มสอนแต่เราต่างหากละเว้นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคนดีต้องไม่ละเว้นพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็จะได้ไม่ละเว้นคนดีทั้งหลายต่อไปจะเป็นคนดีอย่างยงเว้น เป็นแล้วะจะเป็นคนดีแล้วจะเป็นคนดีแล้วพระเจ้าก็จะไม่แ้ไม่ลเว้นเราก็ไม่ลาเว้นน่าชื่นใจนะงั้นบางขณะลาเว้นพระเจ้าแล้วก็บอกทำไมเขาต้องพูดกับเราอย่างนี้มันจะคำาิีทำไมขึ้นมาไม่ได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยไม่มีพระเจ้าอยู่ในใจแล้วตอนนั้นไปแล้วไปแล้วแต่แต่ถ้าพระเจ้าอยู่ในใจพระเจ้าก็จะสอนว่าพูดกับเขาอย่างนี้นะ ก็จะพูดกับเขาอานี้พอถ้าเขาโต้อตอบมาอย่างนี้ตั้งท่าทีแบบนี้พระเจ้าจะบอกเลยให้ตั้งจิตวางจิตอย่างนี้นะแล้วก็ให้อภัยเขาอย่างไรเอากรรมที่เธอได้รับทั้งหลายเนี่ยเธอทามาทั้งนั้นเอาถ้าหากไม่มีคนกระทําอย่างนี้แล้วขันติบา ร, รมีเธอจะเพิ่มพูนได้อย่างไรแต่ถ้าเขาเจอหนักกว่า น, นี้นะทาไมไม่คิดถึงพ่อล่ะบ๊อบบรมีครูคิดถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่พระพุทธเจ้าเจอหนักกว่า น, นี้เราเจอวิ่แล้วก็นั่งยิ้มได้ไหมนั่งยิ้มบนน้าตาเนะี่ย นั่งยิ้มได้โอ้เนี่ยนีเพิ่งเข้าใจนะขันติเป็นแบบนี้เองขันติก็เข้าใจตรงนี้ก็คือว่านี่แหละเป็นการอุปการะที่ที่เขาทํำนี่เป็นเหตุทําให้เกิดขันติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทั้งหมดนะเป็นเช่นบุตรของพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าผูกสัตว์เหล่านั้นไว้ในฐานน่เป็นบุตรของท่านไหมแล้วใครจะโกรธคนที่ทําผิดคำว่า ถ้าผู้ทีเจ้าท่านคิดนีถ้าท่านบำเพ็ญบรารมีเป็นผู้ที่เจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านผูกสัตว์เหล่านั้นไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านเ <c oughs> มื่อบุตรทําไม่ดีกับท่านท่านจะไปโกรธบุตรของตนเองได้อย่างไร <c oughs> เราไม่ได้บำเพ็ญบรารมีเป็นผู้ทีเจ้าแต่เราเป็นสาวกของพระเจ้าเมื่อรู้ว่าคนชั่วคนไม่ดีทั้งหลายมาทําผิดต่อเราอาอท่านผู้นี้เป็นบุตรของผู้ทีเจ้าอ๋อพ่อเดียวกัน <c oughs> ดีไหมถ้าคิดอย่างนี้พ่อเดียวกันเป็นพ่อเดียวกันก็โกรธกันไม่จริงใช่ไหม ถ, ถือว่าเป็นคนเรพ่อแล้วโกรดกันจริงไหมบอกว่าโกรดกันจริงเลยทั้งคันไม่ค่อยคิดจริงๆเลยมองหน้ากันทุกคนในนั่งๆใ น, น, นห้องเนี่ยอันนี้พ่อเดียวกันคิดอย่างนี้กดลงไหมไม่ลงเลยนะทั้งการคิดไม่ถึงนี่เป็นพ่อเราได้ยังไงอย่าไปคิดอย่างนี้เพราะเกิดกันมาคนละบ้านคนละประเทศคนละเมืองเลยเดี๋ยวขอกดสักตั้งก่อนเดี๋ยวก็คิดคําสอนก็ไม่ได้ที่จริงก็คือจริงๆพ่อเดียวกัน พุทธังสาระณังขะฉามีเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยอันนี้ชัดเลยนะแต่คนอื่นเขาอาจจะหลงผิดไปเขาอาจจ ะ, ะ, จะเขาอาจจะไปร้องเรียกพระจุพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือร้องเรียกอะไรก็แล้วแต่เขาจะไปอ้อนวอนป่าไม้ภูเขาอย่างไรก็แล้วแต่แต่บุคคลเหล่านั้นพระบรมศาสดาผูกท่านเหล่านั้นไว้ในฐานะเป็นบุตรหมดเนะี่ยแต่เขาหลงผิดไปดังหาใช่ไหมใช่ี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้จะได้ชัดเจนนะว่าพระาศาสดานเนี่ย ถือสัตว์โลกทั้งสิ้นนะในไว้ในฐานะเป็นบุตรนะไม่ใช่ถือเฉพาะคนนับถือพุทธนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าใจคําสอนนก็จะมองออกหลายมุมเลยเป็นไงค่ไม่ยอมบอกว่าพรเจ้าจํากัดไหมบอกว่าคนต้องนับถือพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะผูกท่านเหล่านั้นไว้ในฐานะกบุตรผมวมาทีแรกนับถือศาสนาอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมพระเจ้ามาใช่ไหมไม่ได้มีคําว่าพุธทธังศาสน า, นาก็ฉานี่เลยอะ ไม่ไดมีด้วยนะนั่นแหละบุคคลเหล่านั้นเป็นบุตรบุตรนี้ทําผิดแก่เราในเพศปีศาจคือความโกรธใดเราควรกําจัดเพศผู้ถือความโกรธนั้นเสียนะ่ถ้าพระโพธิสัตว์ท่านจะคิดอย่างนั้นเราก็บอกโอ้อบุตรของพระเจ้าท่านนี้ซึ่งนะลูกของพ่อลูกของพระเจ้าเนี่ยนะทําความผิดทําความผิดแก่เราในเพศของปีศาจ ก็หมายความว่าโอ้ตอนนี้เขเจอบาปอากุศลกำลังครอบงำเขาใช่ไหมที่จริงเนี่ยนะกระแสะของรูปปั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือสภาวะปรจจามา ธ, ธรรมเนะี่ยอกุศลธรรมก็คือสภาวะปรจจามา ธ, ธรรมเนะีกุศลธรรมก็คือสภาวะปรจจามา ธ, ธรรมแต่พออกุศลธรรมเกิดขึ้นก็เป็นเหตุทําให้เขากลายแปลเปลี่ยนเป็นเพศบิษณนะุมาทําร้ายเรานะมาปทดสอบายเรามาเบียดเบียนเราเลย่อง แต่สักพักหนึ่งพอคุณศุลจิตเกิดขึ้นมาไอเพี้ยสาสก็กำหายไปหายไปก็เหมือนเราเผลอๆบางทีก็เป็นปีศาจอะไรไว้มันเผลอๆบางทีเราก็ยังไงใครอยู่ใกล้ชิดเรายังพลอยตกอกตกใจเหมือนกันเห็นหน้าตาเราเป็นบ่อยไหมต้องเจอตาเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยไปสอนนักเรียนมีเป็นเหมือนกันตรงนี้ก็คือว่า <c oughs> ทุกนี้เกิดแก่เราด้วยความเสียหายใดถามบอกว่าทุกที่มาเบียดเบียนกระแสชีวิตของเราเนี่ยนะที่มาเบียดเบียนแกะกระแสชีวิตของเราเนี่ยทุกมีความทุกข์ต่างๆความผิดหวังต่างๆความเศร้าโศกต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราด้วยความเสียหายใดเราเองนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความเสียหายนะจริงไหมถ้าเราไม่ทํากรรมไม่ดีมาเราจะเจอสิ่งเหล่านั้นไหม ก็เนี่ยเราเนี่นแหละเป็นผู้เป็นเหตุแห่งความที่จะต้องได้เป็นเหตุแห่งความเสียหายนั้นฉะนั้นจะไปโกรธใครโกรธทําไมโกรธไปเพื่ออะไรโกรธแล้วได้อะไรก็ว่าไปยังไงไปโกรธใครโกรธกายกรรมพจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ดีในอดีตกายกรรมพจีกรรมมโนกรรมในอดีตกระดับไปแล้วที่ตัวทํารรมกายกรรมพจีกรรมมโนกรรมซึ่งมาเป็นผู้รับผลของการกระทำ ในปัจจุบันนี้มาจะเ ห, ห็นในดีนั้นเอ๊ะถ้ารู้จะเหตุผลนะชัดเจนนะจะเข้าใจกรรมกรรมสกตาสมาธิทิทํางานแล้วเข้าใจเลยถ้าเข้าใจชัดนะคำว่ากรรมสกตาสมาธิิกลุ่มที่จะเดินวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยจะเห็นสภาพคําว่ามีแต่สภาพธรรมเท่านั้นใช่ไหมที่บอกว่าผู้ทํากรรมก็ไม่มีผู้รับผลกรรมก็ไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆเท่านั้นเป็นไปอยู่เมื่อไหร่จะเห็นอย่างนั้น การเห็นอย่างนี้เขาเรียกสัมมาทัศนะนะอันนี้ในชั้นของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินะเห็นว่ากรรมะะ <Yeah. S 1> เห็นกรรมและเห็นผลของกรรมไม่ได้เห็นสัตว์บุคคลเลยนะเนี่ยเข้าใจสภาวธรรมเลยนะ <Yeah. S 1> อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการเดินวิปัสสนาญาณที่เป็นทิฏฐิวิสุทธิเลยนะ <Yeah. S 1> <c oughs> จะว่าไงตัวนี้กลุ่มที่คิดในน้อยทั้งหลายที่เริ่มมีปัญหาเยอะแล้วจะเนี้ยถ้าความคิดในน้อยไม่สามารถจะกระชาก ค, ความเข้าใจผิดออกจากใจได้ใช่ไหมใช่ พรปกติเราก็คิดบากเป็นทั้งวีทั้งวันไม่เห็นสงสัยกันเลยทาไมคิดนาคทุกวันนี้เนี่ยเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการหยุดคิดมาอยู่กับอารมณ์ใดลมหนึ่งแล้วมันจะชําระสะสามความเข้าใจถูกได้เราคิดกันแค่เนี้ยแล้วก็ถูกปิดมุมกันแบบนี้ใช่ไหมแต่โดยข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ ข้อท็จจริงเลเพราะว่าการที่เราจะสามารถชําระสาสางความเข้าใจผิดให้เห็นเป็นถูกได้นะมันเกิดขึ้นจากการทําปัญญาให้เกิดขึ้นถามว่าปัญญาเนี่ยมีกรรมสกตาปัญญาจะเกิดขึ้นยังไงวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นยังไงมาจากเหตุปัจจัยนะมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่กรรมสกตาสมาธิ ถ, ถีเนี่ยมันต้องเกิดก่อนวิปัสสนาสมาธิฐี่ <laughs> ไม่ใช่ไปขับเน้นวิปั ส, สนาสมาธิให้มาก่อนกรรมสกตาสมาธิ ท, ทีนี้ถ้ามองถึงกรรมมศกตาสมาธิเราเข้าใจคําว่ากรรมและเข้าใจผู้รับผลของกรรมชัดไหมถ้าถามบอกว่าเจตนาที่เป็นไปกับทานนกุศลถ้าพูดไปแล้วเจตนาที่เป็นไปกับทานนกุศลเนี่ยถ้ามองถึงตัวบุคคลที่ให้ทานนี่คือมองในฐานะบรรติญญาาสัตว์บุคคลเป็นผู้ให้ทานนะเช่น มีวัตถุชิ้นนี้ที่จะให้ทานเจตนาคือจิตที่คิดจะให้กับมีวัตถุชิ้นนี้นี่ก็คือวัตถุใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือรูปภาพของพระพุทธเจ้าอันนี้คือกล่องแวน่ น, ก, ยย น, นก็คือวัตถุถามวัตถุวัตถุสองชิ้นนี้ต่างกันตรงญญบัญญัติญญตนะแต่ถ้าว่าโดยสภาพของปรมาตธรรมก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ใช่ไหม สองชิ้นเนี่ยแ ต, แ, ตแต่ถ้าถามว่าแล้วสละสองชิ้นนี้อะไรคือความยิ่งใหญ่ของทานกุศลว่าไงนักดราด า, อ, าะอะไรคือความยิ่งใหญ่ของทานกุศลเนี่ยนี่ภาคปฏิบัติเลยเห็นไหม เ, เริ่มจะเข้าใจอย่างนี้เนดดี่ยเราจะทำให้เป็นโรงงานผลิตกุศลได้ขนาดไหนไอ้นี่ อันนี้คือสีเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์อันนี้ก็คือสีเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์ใช่ไหมแต่พอบัญญัตินี้กล่องแว่นพอบัญญัตินี้เป็นรูปภาพกล่องของรูปภาพหรือว่าอัลบั้มรูปภาพอะไรก็ว่าไปอันนี้คือบัญญัติแต่จริงๆสภาพคือสีเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์แล้วค่าไหนมากกว่ากันใช่ไหมค่าไหนมากกว่ากันเราจะวัดเอาที่ราคาของหรือวัดเอาเจตนาที่คิดจะให้ แต่อย่าลืมนะของก็ต้องมีการประดับปรุงแต่งให้ประณีดเหมือนกันนะให้เหมาะสมแก่การเหมาะสมแก่บุคคลเหมาะสมแก่อะไรก็ต้องว่ากันอีกในรายละเอียดนะไม่ใช่ขับเน้นแค่เจตนาอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นทานมันต้องมีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องในการที่จะรู้การละทานก็ต้องไปแยกด้วยไหมหกอย่างนะั่นคืออะไรในรายละเอียดของคําว่าทานหรือศีลเป็นต้นอะไรเนี่ยนะี่อันนี้ก็ต้องมาฝึกคิดฝึกทําความเข้าใจทีนี้ที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเรายกตัวอย่างเช่น ทานของพระผู้มีภาคเจ้านะขับเน้นตรงนี้หน่อยในรายละเอียดยยถ้าพระผู้มีภาคเจ้าท่านให้ทานนะท่านให้ทานถ้าให้น้ําเป็นทานเพื่ออะไรเอาให้น้ําสมมติเราจะตักน้ําถวายเป็นพุทธบูชาก็ดีธรรมบูชาก็ดีสังฆบูชาหรือถ้าเอาน้ำให้กับพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหรือให้เอาน้ําถวายแด่พระเจ้าพระสงค์นี่นะให้น้ำเนี่ยเราคิดยังไง จากไปก็เอาไปถวายเลยหรือเปล่าหรือยังไงคำว่าปานังในน้ำเนี่ยให้ยังไงอ้าวยมวรวัตรเวลาจะให้น้ำเป็นทานเนี่ย <c oughs> นะหรือว่าจะ ย, ยกน้ำนหรือเราไม่ได้คิดอะไรเลยยกยกไปก็เออเห็นว่าน้ำนี่ดีมีประโยชน์พระถ้าหนิว คืออย่างนี้เวลาถ้าพระโพธิสัตว์ก่อนนะพระมาหาบุรุษเนี่ยท่านให้อมิสทานทั้งหลายให้ทานคือให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นเนี่ยนะเราพึงยังสมบัติมีอายุวันณนะความสุขภะละปฏิพาน์เป็นต้นและสมบัติคือผลอันน่ารื่นรมให้สําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้ไหมถ้าถ้าโพธิสัตว์เนี่ยลองคิดดูไหมว่าเราเห็นน้ําเราเห็นพุทธคุณไหม พระเจ้าสละน้ำให้มาเป็นเป็นทานมาเนี่ยหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมให้เลือดในสรีระมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเราเห็นน้ำเราจะเห็นโลหิตของพระศาสดาหลั่งไหลเห็นพระทานบารมีของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้น้ำเพื่อระงับความกังห่ายคือกีเลสของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์วางแขนไว้เนืเวลาท่านให้น้าเป็นทานเราก็มานั่งคิดใช่มว่า น้ำที่เราดื่มนะเรากินอะไรทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราก็คิดถึงพระทานบารมีของพระบรมศ า, ศาสดานะพระเจ้าบอกว่าวเลือดที่ไหลาจากสรีระของเรานั้นนะมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนะคํานี้จะคิดยังไงนะมากกว่าน้ําในมหาสมุทรคือหมายความว่าทานาบรมีของพระาศาสดามีฝั่งลึกนะ้นะําในมหาสมุทรทั้งสี่สู้ไม่ได้ ฉะนั้นในขณะที่เราให้น้ําเป็นทานเนี่ยเราเดินตามรอยบาทรพระศาสดาที่เราจะให้น้ําเป็นทานเนี่ยพระศาสดาให้น้ําเป็นทานเพื่อระ ง, งับกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเพ่อจะชะําระเพราะน้ํานี่ชาระล้างของไม่สะอาดใช่ไหมให้สะอาดแม้ฉันใดพระบรมศาสดาบอกว่าการที่เราสละน้ําให้เป็นทานทั้งหลายเหล่า น, นี้นะถวายน้ําให้เป็นทานทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจักระงับความก้าหาย คือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายท่านก็สละน้ำเป็นต้นให้เป็นทานอย่างนี้เป็นต้นหรือในขณะที่ท่านให้ผ้าให้ผิวพันให้ผ้าเป็นทา น, า น, ทานก็เพื่อจะให้ได้ผิวที่งามและให้สาเร็จเครื่องประดับคือหีริโลตะปะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าทา น, นกุศลทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดจากการที่ว่า การที่เราจะปรุงเจตนาที่จะจิตที่คิดจะให้นั้นสามารถไปชักนําอโลภก ค, คือความไม่โลภให้เกิดขึ้นอโทสะคือความไม่โกรธให้เกิดขึ้นตลอดถึงตัวปัญญาที่ให้มีความรอบรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้นนะ<ร>ใช่ไหมจะทําให้รู้จากคําว่ากรรมที่กระทำไว้ที่ท่านกระทําไว้อย่างมากมายท่านวิจัยในการการให้ไม่ใช่ว่าให้เยอะๆๆๆๆๆเราเป็นพระเจ้าได้นะ แต่มันเกิดจากการระด ม, ะดมการปรุงแต่งจิตนะที่มีความเข้าใจอย่า ง, างามากมายอย่างมหาศาลตรงนั้ น, นแหละเแ <บา S 1> ่ยจะนาทาเนนอย่างรุ่งแล้วก็ไ ม, ม่มีมีไติกไม่มีตราอะไรเลยนะโยมก็ <S <S <S ได้ ฉะนั้นในเรื่องของน้ำเนี่ยท่านมีในยะการคิดหลายอย่างท่านจะคิดถึงคันติบรารมีก็ได้ใช่ไหมเหมือนอย่างที่ท่านภาษาริบทกล่าวว่าใจของข้าพเจ้าประดุดดังน้ําน้ําย่องชําระของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ําก็ไม่อิหนาละอาใจไม่เกียรติชังแม้ฉันใดใจของข้าพระองค์ก็ประดุดดังน้ําเป็นตัวเหล่านี้นะแต่ตรงนี้ท่านให้มุมในเรื่องของทานเขาไว้ในด้านของทานบรารมีที่ท่านเดินจะได้ราให้เรามอง ในกรณีแห่งการให้น้ำเป็นทานเพื่อชะชำระกิเลสทั้งหลายบางคนก็ตั้งอัธิยาศัยนะการสละน้ำในครั้งนี้ของข้าพเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาจงเป็นสังฆบูชาเนี่ยจงเป็นปัจจัยแก่การชำระกิเลสในกระแสขันของข้าพเจ้านนให้หมดสะอาดหมดจดโดยเร็วพันเธอเนีน่ยเพราะข้าพเจ้าเดือดร้อนในสังสารวัฏในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็เพราะกิเลสคือราคาโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละ ฉะนั้นข้าพเจ้าสละน้ําในครั้งนี้เป็นทานจงเป็นปัจจัยแก่การชําระล้างกิเลสคือราคะเป็นต้นในกระแสขันของข้าพเจ้าให้หมดจดโดยเร็วพันข้าพเจ้าจะได้รับความสุขความเจริญจากการหมดจดจากกิเลสเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์เสียทีนี่ดูนั้นสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้พระโพธิสัต์ท่านให้ทุกมุมเนี่ยท่านคิดหมดเลยอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะแต่พระโพธิสัต์ต้องคิดนลเราก็ต้องคิดเดินตามอย่างท่าน ถึงบอกว่าเรื่องทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นเรื่องการประดับปรุงแต่งศีลสมถาวิปัสนาให้เกิดขึ้นจริงจการสละทั้งหลายไม่ใช่เป็นการสละแล้วมันจบลงหน้าวันนั้นเลยถ้าใครสามารถเอามาขับเน้นเป็นจาคานุสติได้ก็ยิ่งเป็นความยิ่งใหญ่ไพบูร์แล้วก็จะเป็นฐานของสมถาวิปัสนาแล้วก็พ้นทุกข์ได้กันก็เยอะแยะใช่ไหมคนที่เดินสายนี้พ้นทุกข์กันมาได้ก็เยอะแยะหมด นี่กรรมฐานเหล่านี้อย่าลืมนะเป็นเรื่องของอดีตเอามาคิดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าไม่ให้ก่อนแล้วเอามาคิดยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วปุบพระเจตนามูลจากเจตนาอปราเจตนานี่ตัวอราเจตนาจะเอามาคิดได้ค่อนข้างดีที่สุดว่าไงใช่ไห